เห็นแต่ในรูปพระอาจารย์ได้ส่งรูปให้ไปดูให้เห็นในรูปแล้วก็มันนี่ก็อยากมาเห็นจริงแต่สถานที่นี่ไม่ใช่สําหรับบุคคลทั่วไปวิธีหลวงพ่อเทียนก็ไม่ใช่สําหรับบุคคลทั่วไปคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่สําหรับบุคคลทั่วไป มุคคลที่สถานที่นี้ก็ดีคําสอนหลวงพ่อเทียนก็ดีคําสอนของพุทธเจ้าก็ดีเฉพาะผู้มีปัญญาเท่านั้นภาษาพุทธเจ้าบอกว่าเฉพาะกันเด็ผู้เห็นภั่เนี่ยที่เราปฏิบัติกันนี้เพื่อเห็นภยัย เห็นแล้วยังแสดงว่าถ้าเห็นแล้วคงไม่ได้กลับไปไปสอนอีกแล้วต้องอยู่ที่นี่ตลอดภัยที่เราเคยได้ยินมาคือความแก่ความเจ็บความตายภัยธรรมดาอ่อมภัยที่ร้ายแรงที่สุดสำหรับมนุษย์ภัยนั้นคืออะไรยองใครตอบถูกคนนั้นสอบผ่านาถามคนนี้ก่อน ภัยที่โหดร้ายที่สุดน่ากลัวที่สุดสำหรับมนุษย์ภัยนั้นคืออะไรตอบผิดสอบตกปฏิบัติกี่วันแล้วสิบสี่วันแล้วเอาไหนใครฟันทงบ้างคำตอบมีคำตอบเดียวภัยที่น่ากลัวที่สุดถ้าปล่อยให้เราตอบเนื้อก็ตอบผิดไปเรื่อย คือความคิดความคิดเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาที่เราทุกทุกอยู่กาเพราะความคิดงั้นหลวงพ่อเทียนจึงเกิดมาเพื่อสอนให้คนทันความคิดรู้ความคิดวางความคิดให้ได้อยู่สหรัฐอเมริกาเป็นพระธรรมทูต ร, นะร่วมรุ่นกับรชัชฌาร อาจารย์ก็ไปบุกลาสเวกันแดนสเสวลยัยแดนแห่งความหลงไหลกะว่าจะช่วยคนทั้งหลายเหล่านั้นได้ทันความคิดแต่เขาหลงไปในความคิดเสียแล้วยากนะกรรมหนักที่สุดก็คืออนันติยกรรมตั้งห้าในก็ หนักเหมือนกันแตกรรมที่หลงไปในความคิดหนักมากพอจะทำเมื่อพอหลงไปในความคิดแล้วกรรมทั้งห้าตัวข้าพ่อข้าแม่ข้าพระพุทธเจ้าทำลายสงฆ์จึงเกิดขึ้นตัวหลงนั้นอาจารย์ก็บุกไปทางจอเจียจอเจีย สร้างวัดสิบปีถือว่าก็ในภาษาสมมติก็ว่าสำเร็จสาเร็จแต่ยังไม่สำเร็จพระตาบใดที่สถานที่นั้นยังไม่สามารถช่วยคนปลดล็อกความทุกข์คนได้ก็ไม่มีค่า ที่ตรงนี้มันกันจะสร้างหมดหมื่นล้านแสนล้านถ้าไม่มีพวกเรามานั่งเจริญสติอยู่หมดความหมายเลยไม่มีความหมายถ้าความหมายมันอยู่ที่เมื่อช่วยให้คนเกิดปัญญาได้นั่นแหละค่ามันเกิดตรงนั้นอันก็ เสร็จก็ถวายพระอาจารย์ได้ไปช่วยในวางช่วงจริงๆท่านก็ตั้งใจใ ห, หลบไปพักไปนั้นก็เจอหนักเหมือนกัน <c oughs> ต้องไปช่วยสอน <c oughs> เป้าหมายเดียวกันนะเมื่อเราปฏิบัติแล้วได้ผลแล้วต้องทำหน้าที่ นี่ทุกคนยกเว้นยังไม่ได้ผลพอได้ผลแล้วมันอยู่ไม่ได้ต้องช่วยกันต้องช่วยกันสอนช่วยกันเผยแพร่ช่วยกันเปิ ด, ปดโลกให้เห็นแสงสว่างท่านทนจึงหลวงพ่อพุทธทาสบอกสงบเย็ยน คำสุดท้ายคือเป็นประโยชน์ตัวสุดท้ายเนี่ยมันต้องออกมาอย่างชัดแจนอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อันถ้าเราเห็นแล้วได้แล้วสาเร็จแล้วก็จะเป็นประโยชน์ทำประโยชน์ก <c oughs> ำลังทำเป็นที่พักสามชั้น กะว่าเข้าไปอยู่แล้วสิบวันไม่ต้องออกไปไหนก็ได้เพราะมันออกไม่ได้หนาวต้องอยู่ข้างในชั้นล่างเป็นที่ทานข้าวชั้นสองเป็นที่พักชั้นบนเป็นที่ภาวนาบุญสุดท้ายที่ทำให้สาเร็จก็ให้ป้าจานไยยด้พาญาติโยมไปนั่ง เจริญสติอธิษฐานจิตให้กเห็เลยได้เริ่มสร้างโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้จ้ะกฎของโลกไม่มีอะไรได้ดังใจไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรที่ไม่มีอุปสรรคไม่มีอะไรได้มาง่ายถ้ามันง่ายเราไม่ต้องไปยกมือหลายวันหรอก สิบนาทีก็ได้ผลแล้วไม่ต้องไปเดินจงกรมต้องลงทุนต้องลงทุนต้องใช้ความเพียรพยายามเราโชคดีมีครูบาอ า, าจารย์มีครูบาอาจารย์มีหลวงพ่อเตียนหลวงพ่อคำเขียนป้าจาย์ของเรานะครครูบาอาจารย์อีกหลายรูป บอกแผนที่เขียนแผนที่บอกแผนที่เราก็ลงมือเดินตามขึ้นอยู่ที่เราแล้วชั่วโมงนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ปราจาัรขึ้นอยู่ที่เราที่จะต้องลงมือปฏิบัติกันอ ทำหน้าที่ของผู้ปฏิบัติไปให้ดีที่สุดแล้วก็จะเห็นผลวิชาของหลวงพ่อเทียนกำลังได้รับความสนใจเหมาะสำหรับคนในยุคนี้คนในยุคนี้มันฉลาดมากเก่งมากความรู้มากมแค่ตั้งเอาวิธีแบบนี้แหละช่วย ช่วยปฏิบัติช่วยปฏิบัติเราคิดว่าพอหลังจากอาคารเปิดใช้งานก็จะเปิดชาวต่างประเทศเป็นคอร์สได้เข้ามาอยู่มาปฏิบัติไม่ได้หวังผลมากหวังแค่หนึ่งในร้อยคนได้คนหนึ่งพอ ที่เรามาปฏิบัติทุกคนเนี่ยพระอาจารย์ท่านก็คงไม่ได้หวังให้ทุกคนกับคนเดียวขอคนเดียวถ้าคนเดียวนั้นได้เห็นธรรมคนนั้นจะเป็นประโยชน์มากเสียดายไม่ได้ไปร่วมพิธีเผาจานกรรมผลน่คนพิการคนเดียว พอเขาไปเห็นทรแลนะ้วทำให้ทำประโยชน์ให้แสงสว่างแก่คนทั้งหลายมากมายแล้วกนแต่ร่างของท่านถูกเผาแล้วแต่คำสอนท่านก็ยังอยู่เมือหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนคำสอนมากมายมากมายการปฏิบัติจะว่ายากก็ยาก จะว่าง่ายก็ง่ายสมัยพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์แสดงธรรมแป๊บหนึ่งคนบรรลุมากมายสมัยนี้ก็น่าจะเหมือนกันอาจารย์พูดเนี่ยวันนี้ต้องบรรลุกันแล้วต้องบรรลุกันแล้ว เพราะเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องเส้นผมบงผังภูเขาเราอย่าไปคิดนะภูเขาบางังภูเขาให้คิดนะเส้นผมบงผังภูเขาต้องฉลาดต้องฉลาดในการภาวนาต้องฉลาดใช้ปัญญามาอันคาสอนของพุทธเจ้าจึงสำหรับ ผู้มีปัญญาผู้มีปัญญามีปัญญาในการภาวนาก่อนทิ้งความรู้ที่เรามีอยู่ทุกอย่างทิ้งทิ้งหมดทิ้งให้หมดฮะ เหลือแค่ตั้งใจทำตามครูบาาจารย์แนะนำอย่าไปค้านค้านช้าค้านไม่ได้แต่ก็เป็นธรรมดาของเส้นทางเนี่ยอาจารย์เข้าปฏิบัติใหม่ๆยิ่งพวกเราอ่านมามากฟังมามากยกมือเนี่ยไม่ได้รู้สึกตัวเลย อยู่แต่ในตำราอยู่แต่คำพูดพรจานนะเหลืออีกกี่วันจบคอร์สอีกสี่วันอ่าสี่วันไม่บรรุก็ให้บรรลัยนะเอาให้ขนาดนั้นให้บรรลจบตรงนี้ก็ไปอยู่ข้างนอกก็จบเหมือนกันถ้าไม่จบตรงนี้ไปอยู่ข้างนอกก็ไม่จบ ให้จบตรงนี้ที่นี่เร็วนีน้การได้รู้จักภาวนาเป็นความโชคดีที่สุดของชีวิตพระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสเลยว่าคุณมีสมบัติมากคุณมีความรู้มากคุณมีความพรัองพร้อมเป็นความโชคดีแต่การได้มีได้มีโอกาสมาปฏิบัตินั่นแหละ เป็นความโชคดีที่สุดบุญทุกบุญที่เราเคยได้ยินทรรมบุญกับป้ารารกี่องค์ร้อยองค์พันองค์จนมาถึงพุทธเจ้าบุญสุดท้ายที่มีอนุภาพมากก็คือบุญในการภาวนาจนเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังเห็นทุกขงังเห็นอนัตตา เห็นบ้างยังเห็นแล้วนะเห็นแต่สงสัยจะเห็นแต่ที่นี่กลับบ้านไปไม่เห็นแล้วกลับบ้านไปไม่เห็นแล้วความตั้งใจเท่านั้นความจริงจังจริงใจนะไม่ต้องทดลอง อย่ามาทดลองเสียเวลาชีวิตเรามีน้อยไม่ต้องทดลองเอาจริงเลยเไปทดลองกับหลวงพ่อดิเรกดูหน่อยสิเป็นไ ง, งพลาดแต่ยกแรกแหละไม่ต้องทดลองเอาจริงเอาจริงความตั้งใจจริงทำให้เราได้เห็นอ เดี๋ยวไปช่วยกันนะให้ช่วยกันที่ต่างประเทศไม่จำเป็นต้องเป็นพระสอนโยมก็สอนได้ธรรมะของพทธเจ้าเห็นไม่โคเอ็นกาโยมศูนย์เขามากมายเหลือเกินโยมและตัวเขาไม่อยู่ด้วยใช้แค่เทปอันเดียวแค่นั้น สอนทั่วโลกเป็นอย่างนั้นก็ช่วยกันทำหน้าที่ให้เห็นก่อนหเห็นก่อนอเราโชคดีพระอาจารย์เป็นผู้มีความรู้เข้าใจเข้าใจในคำสอนของหลวงพ่อเทียนของพุทธเจ้าอย่างชัดเจนถ้าเป็นอาหารก็ ไม่ใช่คือที่ปรุงอย่างพิเศษนะนะปรุงอย่างพิเศษมาให้เราได้ศึกษาใน้ปฏิบัติมีพระอาจารย์หลายรูปมาปฏิบัติเป็นกำลังใจให้กับเราผลแห่งการปฏิบัติก็คือ หมดเวลาสำหรับความทุกข์แล้วไหนใครหมดแล้วยกมือให้ชื่นใจนะฮะหมดเวลาสำหรับความทุกข์แล้วหมดแล้วยังใครหมดแล้วฮะยัง yeah, เอาต้องเอาให้หมดต้องเอาให้หมดคือ มันไม่มีแห่งเวลาแห่งความทุกข์มีแต่ความมีแต่เวลารู้สึกตัวรู้สึกตัวเบิกบานในเวลาพักแล้วมั้งปกติพักกี่โมงห้าโมงคนะ้มนะ ะ, ะเราเรนเรื่องการสาวัดทัวัดที่มันัจวัดพระจารย์ชื่อวัดพระหมหาชนก เราคงเคยได้ยิ น, นาชาดกเรื่องนี้เป็นชาติหนึ่งของพุทธเจ้านะปราช์เดิมก็ไปอยู่แคลิฟอร์เนียวัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์นะไปหลังจากพราชญ์เนี่ยไปอยู่ก่อนก่อนที่จะเป็นพระธรรมทูตหลวงพ่ อ, อ, อมาดิเรกอยู่ก่อน ท่านก็กลับมาอบรมนาจารย์ก็ได้ไปอยู่ได้สองสามปีก็ลาเจ้าวาดกลับไม่ไม่ถูกจริตอเมริกาไม่ถูกจริตท่านก็บอกว่าให้ก่อนกลับช่วยไปสร้าง สำนักที่จอจียให้หน่อยว่างั้นโยมเขามาขอห้าปีแล้วห้าปีให้ไปสร้างก็เกรงใจครูบาอาจารย์ก็ตัดสินใจเพราะคนที่เขามานิมนต์เนี่ยเขาเสนอเสนอเขาเรียกว่าเอาเสนอ ให้เสนอดีเสนอวันหนึ่งไม่ต้องเสียค่าเช่ามีบ้านให้อยู่ให้ทดลองอยู่ก่อนสักหกเดือนเพราะว่าปัญหาใหญ่คือการที่จะไปสร้างวัดอเมริกาเนี่ยเรื่องค่าเช่าเรื่องเงินนั่นนะแต่เขาเสนอมาอย่างนี้โอ้น่าไปอยู่ ไปอยู่ให้ท่านหน่อยแค่เริ่มต้นแค่หกเดือนแล้วค่อยขยับขยายไปก่อนที่จะไปอยู่ก็ไปดูสถานที่กันปเป็นบ้านหลังหนึ่งก็โอเคน่าจะพอเริ่มทำวัดได้วัดที่อเมริกาก็จะเริ่มจากที่จอดรถบ้านเล็กๆอาพาร์ตเมนต์เริ่มต้นกันอย่างนั้น ไปเช่ากันอยู่ส่วนมากเริ่มต้นจุดแรกเช่าบ้านกันอยู่แต่พระอาจารย์เนี่ยโชคดีเเขาไม่ให้ต้องเสียค่าเช่าให้ไปอยู่ได้เลยนะเขาต้องการแค่พระไปช่วยสร้างวัดก็ไปดูโอเคน่าอยู่ฮะโอเคไปได้ก็ไม่ไม่ต้องไปทําอะไรเนี่ยก็ไปนั่งภาวนาเจริญสติอย่างเดียวไม่ต้องไป จัดภาพป่าไม่ต้องไปทำอะไรวัดที่นั่นลำบากเก็บกระป๋องขายาทำร้านอาหารก๋วยเตี๋ยวขาย เ, าเพื่อเงินเดวเอาค่าเช่าไปเข้าใจเข้าใจาครูปราอาจารย์สายกรรมฐานมือหนึ่งจากเมืองไทยไปใหม่ๆเขาก็ให้เสียบไก่ ไว้ขายวันอาทิตย์อไปเจริญสตินะครับเสียบไก่กว่าจะเป็นวัดได้กว่าจะเป็นพระกว่าจะเป็นพ่อคนแม่คนกว่าจะเป็นครูกว่าจะเป็นที่ตรงนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่พระอาจารย์ก็โชคดีตัดสินใจ ไปเดินทางจากแคลิฟอร์เนียสามพันสองร้อกว่าไมล์สามวันสองคืนนั่งมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งโต๊ะหมูองค์หนึ่งบาทใบหนึ่งโยมไปส่งไปถึงจำได้ว่าไปถึงที่พักนั้นตีหนึ่งตั้งโต๊ะหมูก็ไหว้พระสวดมนต์แปดโมงเช้า เจ้าของบ้านมาบอกกับพระอาจารย์เจ้าว่าที่ส่งตมาไประหว่างโยมกับเจ้าว่านะเขาเม้นี่บุญคุณกันพอวัดที่แคลิฟอร์เนียเขาก็เป็นคนช่วยซื้ อ, อเขาบอกว่าโอ้ปัญหาใหญ่แล้วพระอาจารย์เขาก็เรียกกันเราก็ไม่ได้ยินเขาคุยเรียกไปคุยกันคือสรุปแล้ว เขาให้กลับแคลิฟอร์เนียก่อนไม่พร้อมว่างั้นไม่พร้อมหลังแรกอยู่ได้แค่แปดชั่วโมงหลังแรกเจ้าวาดก็บอกวาไปก็คือเราไม่รู้จักใครก็รู้จักแค่โยมคนเดียวเท่ที่นี่มนตไปอืม เราไม่รู้จักใครที่นั่นก็วัดเขาก็มีเยอะแล้วเจ้าวาดก็บอกว่ากลับกลับเถอะพวกเรากลับใจด้วยนิสัยเป็นคนดื้อมาแต่เด็กแหมความดือนะ้อในมันดีนะโยมนะ <c oughs> ไม่ใช่ว่าไม่ดีแค่เลยบอกว่าะ้าจานกลับไปเถอะผมจะลองอยู่ที่จอจียนี้ดู ถ้าอยู่ในความเป็นพระไม่ได้ก็ศึกอยู่ที่นี่มันจะแค่ไหนคิดไปอย่างนั้นอือตอนนั้นเหมือนพระหมาชนกเรือแตกแล้วไม่เห็นฝั่งแล้วยอง่หยอ ย, ย, อยู่กลางหมาสมดมองมาเห็นฝั่งคิดถึงธรรมะคิดถึงพระหมาชนกทันเต ก็เลยเอา้าในเมื่อไม่กลับก็ต้องหาที่เช่าเอาไปเช่าที่อยู่อพาร์ตเมนต์อยู่ไปเช่าอพาร์ตเมนต์นี่ก็ไม่มีคือเช่าที่นั่นต้องใช้เครดิตไม่งั้นเขาไม่ให้เช่าค่าหลายขั้นตอน ในที่สุดผ่านไปปีพรรษาที่หนึ่ง เ, เช่าพาดเมนอยู่พระอาจารย์ท่านก็นส่งพระมาอยู่ด้วยก็ไม่เหมาะสถานที่เราอยู่ไม่เหมาะแต่ไม่ไม่เหมาะก็อยู่กันเงียบๆตั้งใจว่าหมดค่าเช่าเมื่อไรก็กลับยืมเงินหลวงตาที่ไปส่งไว้พันเหรียญ เราก็ไม่มีเงินยืมหลวงตาไว้สัมลองผ่านไปพรรษาหนึ่งผ่านไปพรรษาที่สองจะกลับหลายครั้งแล้วแหละเพราะว่าบางเดือนก็จะไม่มีจ่ายเพราะเราไม่ได้จัดไม่ได้บอกบุญไม่ได้คือเราจะไม่พูดถึงเรื่อง บริจาคเรียร์ไรเลยทำไมจึงไม่พูดกลัวเขาจะตำหนิทีหลังว่าพระพวกนี้มาหาเงินแล้วกลับกลัวเขาตำหนิเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะอยู่ได้แค่ไหนเนี่ยตั้งใจว่าถ้าหมดค่าเช่าก็ต้องกลับอยู่ไม่ได้อยู่แล้วโดยเหตุผลทุกอย่างแต่ในที่สุดก็ ผ่านไปผ่านไปผ่านไปครบสามปีก็มีเด็กอายุยี่สิบหกปีสองสามีภรรยาเธอไปซื้อที่บ้านใหญ่ค่ะคุ้นเคยกันตั้งแต่ไปอยู่ก็รู้จักกันเจอเขามาถามว่าพระจาร์จะให้ที่พระจาร์ห้าเอเคอร์ ให้อเอเกอร์เอเกอร์หนึ่งก็สองจุดห้าไร่ให้พจารย์ไปอยู่หลังบ้านนะจะได้ไม่ต้องลำบากอ้าวโอ้ก็ก็ดีไปสอบถามทางซิที่ว่าตรงนี้จะทำวัดได้ไหมเขาก็วัดทำได้แต่มันไม่มีอะไรอย่างเป็นป่าไปถางป่าอยู่ห้าเดือน ทางป่าต้นไม้มันหนาแล้วก็ทำกระทบเล็กๆพออยู่ได้แต่เป็นความสุขที่สุดเท่าที่อยู่อเมริกาแม้ไม่มีห้องน้ำไม่มีอะไรแต่เราไม่มีสักดอนก็อยู่ได้มันอิสระโฮสามปีแรกที่อยู่ในป่านั้นภาวนาดีเหลือเกิน ไม่มีภาระอะไรไม่ต้องรับครภา ย, ยนอกเขาอาจจะดูว่าโอ้ลําบากแต่ว่าภายในเราสบายเพราะไม่ต้องไปยุ่งกับเงินกับทองไม่ต้องไปยุ่งกับคนคอยดูจิตเราอย่างเดียวภาวนาสวดมนต์แต่ก่อนที่จะไปเริ่มสร้างตรงนั้นเขาไปที่ต้นสีปหาโผล์ ไปกราบขอพอพระพุทธเจ้าว่าขอให้ลูกได้สร้างวัดสำเร็จภายในเจ็ดปีเมื่อสำเร็จภายในเจ็ดปีจะกลับมาภาวนาอยู่ใต้ต้นโพสามเดือนนี่พอเริ่มสร้างอยู่สามปีไปก็มีโยมไปช่วยสร้างคิดอะไรก็ได้ดังใจหมด เออจะสร้างหลังนี้เอาเสร็จสองเดือนเสร็จหลังนี้สิบสี่วันเสร็จทานี่เออมันเสร็จมันได้ขยายที่ต่อมาอีกเด็กที่อยู่บ้านนั้นเขาโ อ, อาจะยกที่ให้พู้จาร์ซื้อต่อจ่ายต่อไปเอาให้เป็นวัดแต่ก่อนมีห้าเอเคอร์ทุกวันมีสิบเก้าเอเคอร์ต่อ อาจารย์เอาบ้านไหมด้วยไหมเอาอแกต้องผ่านแบงที่นั้นต้องผ่านแบงหมดภายในห้ากปีเราก็สร้างที่ทีนี้ขอขยายอจะขอสร้า ง, างที่เนี่ยต้องถามชาวบ้านก่อนขึ้นศาลก่อนที่วัดเนี่ยขึ้นศาลอยู่สิบครั้งถูกปิดวัดไปปีหนึ่งห้ามเข้าไปใช้สารพัดปัญหา วัดเคยถูกยึดไปไม่มีเงินจ่ายธนาคารเขาบอกว่าคุณต้องย้ายออกไปในสามสิบวันตอนนั้นมาดูแลคุณพ่อเป็นมะเร็งสิบเดือนก็เลยเลือกพ่อดีกว่าวัดสร้างที่ไหนก็ได้ยึดยึดไปกลับไปเขาก็ให้เราออกไปในสิบวันถ้าไม่สามารถเอาเงินจำนวนที่ค้างเขาอยู่ไปให้เขา เป็นวันแรกที่พูดเรื่องเงินกระโยกเพราะว่าต่ภัยวัดเราไม่มีแล้วอีกสามสิบวันต้องย้ายออกเพราะเขาจะยึดแล้วเอา้าทำไมเอา้าก็ไม่ได้จ่ายเขามาสิบเดือนแล้วก็เลยนี่โยมญาติโ ย, ยมรู้กันก็ช่วยกันแก้ปัญหาจากเหตุร้ายกลายเป็นดี จำไว้ให้ดีนะโยมนะไม่มีเหตุร้ายไม่มีเรื่องร้ายหรอกในชีวิตเรามีแต่เรื่องดีทั้งนั้นเจ็ดปีก็เสร็จเตียบร้อยทุกอย่างตั้งใจให้เสร็จภายในสะิบปีให้เสร็จตามความคิดก็เลยมานิดหน่อยตอนนี้ก็สำเร็จผ่านพ้นอุปสรรคทุกอย่าง เหลืออุปสรรคอย่างเดียวคือกิเลสยังมีอยู่อุปสรรคภายในใจเราจะต้องรือกันสู้กันไปนั่นแหละคุณสมบัติของพระธรรมทูตที่จะต้องไปทำงานพระศาสนามีสามคุณสมบัติหนึ่งต้องรักพระศาสนา รักคำสอนให้มากที่สุดต้องเห็นคุณเห็นค่าของคําสอนของพระพุทธเจ้าให้มากที่สุดไม่มีอะไรที่จะมีค่าเท่ากับคําสอนของพระพุทธเจ้าอีกแล้วในโลกนี้สองต้องเข้าใจในคําสอนของพรพุทธเจ้าให้ชัดเจนแจ่มแจ้ง สามต้องเสียสละได้แม้กระทั่งชีวิตพระธรรมทูตเราทำสามข้อได้เราก็เป็นธรรมทูตเหมือนกันอืมธราทูตเหมือนกันอืมต้องเชื่อว่าคําสอนของพรุทธเจ้าเนะี่ยสูงสุดแล้วใครที่ไม่เชื่อพรพุทธเจ้าก็จบใครไม่เชื่อพระธรรมก็จบ ใครไม่เชื่อพระสงฆ์ก็จบใครไม่ศึกษาธรรมะก็ทุบตายเลยชีวิตไม่มีความปลอดภัยชีวิตไม่มีค่าชีวิตไม่มีความหมายเลยอถ้าไม่มาศึกษาพระธรรมหมดความหมายเลยชีวิตหมดค่าความเป็นมนุษย์เลยถ้าไม่มีธรรมะถ้าไม่รู้ธรรมะถ้าไม่เห็นธรรมะ ชีวิตนี้ไรค่าไร้ความหมายเอามีเวลาสิบนาทีให้ถามมีคำถามไหมถามได้แต่จะตอบไม่ตอบอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> <c oughs> มีคำถามไหม ภาษาเขมรภาษาลาวภาษาไทยภาษาอังกฤษอืมหลายภ า, าษาถ้าส่วนมากก็มีพระอาจารย์อย่างหลวงพ่อของเราก็เก่งภาษาอังกฤษพระอาจารย์หลายรูปก็เก่งภาษาอังกฤษภาษาเนี่ยมันเป็นเป็นเรื่องที่ปิดบังธรรมะเหมือนกัน เปรี้ยวพูดได้แต่ไม่รู้วิปัสนาเนี่ยก็เหมือนคำว่าเปรี้ยวหวานนั่นแหละแต่ว่าค้าลงมือปฏิบัติลงมือปฏิบัติภาษาญาติญาตอญายิ่งภาษาอังกฤษ ด, ด้วยบางศัพ์ไม่มีที่จะสื่อ อย่างบุญอย่างก็ตันยูอย่างอะไรยากยากยา ก, ก็ใช้ภาษามือสิบสี่จังหวะทางภาษาก็ภาษาก็ตอบเขาตอบเขาเขาก็จะถามว่าพทะเจ้าสอนอะไรบางทีพระก็เหมือนเซลล์เหมือนกัน ทั้งโฆษณาคุณภาพของธรรมะจนเขาสนใจบอกเขาว่าถ้าคุณไม่มีธรรมะคุณไม่ได้มาปฏิบัติคุณไม่ได้ศึกษาชีวิตคุณจะไม่มีความสุขเลยคุณจะไม่เห็นความสุขรอบๆตัวคุณเลยคุณหมดสิทธิ์ที่จะได้ความสุขทั้งหลายแล้วนั้นพระฝรั่งที่ลูกศิษย์หลวงพ่อชาจึงปฏิเสธไปสอนฝรัง่ง อยู่สอนคนไทยง่ายกว่าสอนคนไทยได้ง่ายกว่าหลงไปในความคิดนล้วจมไปในความคิดแล้ ว, ว, ล, วล็อกไว้แล้วก็ศรัทธาต้องแปลว่าตัวเปิดใจทีนี้เขาไม่เปิดใจเขาถูกปลูกฝังมาแต่ต่อไป เมื่อถึงจุดหนึ่งก็คงจะต้องกลับมาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะมันจะเข้าไปสู่หลา ย, ลายอย่างเขายุคเจริญอย่างเราสมัยแต่ก่อนก็ศาสนาผีใช่ัหมกับพัฒนามาเรื่อยเขาก็ศ า, าสน า, าว่าศาสนาวัตถุนิยมวัตถุเขาก็เห็น กิเลสฝรั่งกับกิเลสคนไทยก็เหมือนกันโลกคกรดหลงตัวเดียวกันแต่เราก็ต้องปลดล็อกให้เขาให้ได้เข้าใจให้ได้ให้เขาเห็นภัยให้ได้เห็นภัยเห็นโทษเห็นทุกข์เห็นคุณให้ได้เป็นอย่าง น, น, นี้เราก็ต้องให้เขาเห็นก่อน แจกหนังสือแจกซีดีธรรมะหลายหลายอย่างเพื่อสร้างสิ่งแวดลอ้อมเพื่อเป็นการยาณเิตใหลวงพ่อชาจึงแต่พิเศษของหลวงพ่อชาที่ท่านเอาฟังอยู่ก็คือท่านรู้ความคิดของแต่ละองค์โยมคิดอะไรท่านรู้ ปลดล็อกเลยตัวนั้นรั่งจึงยองแต่มาไม่สามารถรู้ความคิดเขาได้ก็เลยต้องวานแหไปก่อนแต่ก่อนฟังหลวงพ่อเทียนเนี่ยรับไม่ได้พยายามฟังนั้นแต่รับหลวงพ่อเทียนไม่ได้มันค้านกับสิ่งที่เราเรียนมารู้มาอ่า ก็เลยมาฟังหลวงพ่อคำเขียนฟังหลวงพ่อคำเขียนจนจบทุกเรื่องฟังทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละใส่หูไปลลงมีนิสัยอย่างหนึ่งคือถ้าฟังศึกษาองค์ไหนก็ต้องฟังให้หมดฟังพอฟังหลวงพ่อคำเขียนแล้วจึงมาเข้าใจหลวงพ่อเทียนจึงมาเข้าใจ คำสอนของหลวงพ่อเทียนทีนี้เมื่อเข้าใจแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติจริงๆหลวงพ่อก็อย่างหลวงพ่อท่านบอกไปคุยกับโยมหน่อยโอ้หลวงพ่อเทียนสอนไว้หมดแล้วไม่ต้องคุยแล้วจริงๆเราไม่ต้องสอนกันเลยนะหลวงพ่อสอนไว้หมดแล้วธรรมะที่หลวงพ่อสอนพอแล้วไม่ต้องพูดกันเองแล้ว ท่านสอนไว้ชัดเจนนละทุกขั้นทุกตอนเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวก็พอฟังจบพอละการปฏิบัติเนี่ยที่บอกว่ามันยากก็เหมือนยากง่ายก็เหมือนง่ายบางทีต้องระวังนกันทีวิธีการคำสอนบางทีมันล็อกกราไว้ ไม่สามารถเปิดประตูออกไปได้หลวงพ่อเทียนอย่าพูดไว้เสมอว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้มีทั้งไม้ขีดและก็เทียนไขถืออยู่ในมือแล้วก็นั่งอยู่ในถ้ำแล้วก็บ่นว่ามืดทำไมมันมืดจังเลย แล้วก็มีคนมาบอกคุณต้องมืดทําไมจุดเทียนนี่ก็จุดเทียนเอาสว่างเห็นส่องมาข้างหน้าสว่างแค่ข้างหน้ามืดข้างหลังส่องข้างหลังมืดข้างหน้าพอออกมานอกถ้เอาสว่างสวัยแล้วเห็นไม่ต้องจุดเทียนนี่ท่านอุปมาให้ฟัง จิงความเป็นผู้รู้ก็ได้มันมีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วภาษาจีนเขาสอนลูกศิษย์ว่าทุกคนคือเมล็ดพืชพันธุ์เดมีความเป็นพุท ธ, ธะอยู่ในตัวแต่มันมีบางอย่างไปปกปิดไว้ปกปิดเมล็ดพืชนั้นไม่ให้งอกทั้นทายังไงเราจะเอาสิ่งที่ปกปิด ที่เราต้องเพียนพลังแห่งสติเพื่อที่จะไปให้มันออกไปนอกท้ำให้ได้จะบอกโยมเสมอๆว่านักปฏิบัติต้องเป็นแม่ครัวชั้นเดีขณะไหนควรใช้กระทะขณะไหนควรใช้เขียงขณะไหนควรใช้มีด ขณะไหนควรเอาอะไรลงก่อนผัดก่อนต้องฉลาดเิงเยอมต้องฉลาดมากต้องรู้ให้ทันและมันจะปลดล็อกความคิดเราได้ทำให้เกิดความเพียรความเพียรทำให้เกิดสติสติทำให้เกิดสมาธิสมาธิทำให้เกิดปัญญายิ่งเมืองไทยของเรามีหลักการปฏิบัติมากมาย หลายรูปแบบไปทุกที่คนชอบถามละเกินนะสายไหนดีที่สุดแม่นแต่เราปฏิบัติเองอมาถูกสายหรือเปล่าบางคนย้ำด้วยนะโยมเนี่ยชีวิตโยมมีเวลาน้อยอยากจะปฏิบัติสักสายให้มันถูกเลยจะได้ไม่หลงทางเหมืกัน แม่โยมก็หลงมาทั้งชีวิตแล้วฮนะเลือกสักหลงหนึ่งจะเป็นไรอะไรจบพอดีเวลาอ้าขออนุภาพแห่งคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าจงเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ท่านทั้งหลายรู้ตื่นเบิกบานรู้สึกตัวสว่างสวยัยสว่างสวได้เห็นธรรมรู้ธรรมฉับพลันทันเท ด้วยเธอ